เป็นยังไงสบายดีนะสบายดีเครือ่องใหม่ร้อนมากเลยร้อนนะฝนมันตกรอบนอกเนี่ในเมืองไม่ตกตกร้อนมากที่นี่เมื่อสักอาทิตย์แล้วก็ร้อน <c oughs> มาเย็นเนี่ยวันสวันนี้ฝนตกทีหน่อยอย่างนัามสีวันเนี่นน ย, <c oughs> ยนนรู้สึกไม่ไม่ค่อยร้อนเท่า ร้อนนอกไม่เท่าไรอส่้ร้อนในไม่ได้อย่าร้อนในก็แล้วกันร้อนในนี่มันแรงกว่าร้อนนอกร้อนนอกนี่ร้อนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยถ้าถ้าใจเย็นถ้าข้างในเย็นนี <Okay. S 1> ่เรามาทำบุญนี้เพื่อทำให้ใจเย็น <Okay. S 1> ใจเราร้อนเพราะอะไร mm hmm. ร้อนเพราะความโลภความอยาก อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้มากๆากอยากมีมากๆ ม, มันก็เลยร้อนมาทําบุญแนละ้วมันเย็นเพราะมันลดปริมาณความโลภลงพอ ต, ตอนนี้มีมากเกินไปแล้วให้มันมีน้อยกว่านี้ดีกว่าการทําบุญนี้ต้องการลดเงินทองที่เรามีอยู่นี่ให้มันน้อยลงไปเพราะเรามีมากเกินไปยิ่งมาก ย, ยิ่งโลภไม่ใช่หะไรยิ่งมีมากยิ่งอยากได้มากขึ้น แล้วมันความอยากนี่มันทําให้ใจร้อนถ้ามาทําบุญแล้วทําให้ใจมันลดความอยากลงมันก็เลยทําให้ใจเย็นมีความสงบนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบคือธรรมชาติของใจคือความร้อนความเย็นข้างในใจเนี่เราไม่รู้จักวิธีเราเราไม่รู้จักทําให้มันเย็น เรารู้จักแต่วิธีทำให้มันร้อนเวลามันร้อนก็ทำให้มันเย็นไม่เป็นมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาถ้าให้เรามีมากเท่าไหร่มันก็ยังร้อนอยู่นั่นแหละเพราะยิ่งมีมากมันก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นเพราะมันมีช่องทางที่จะได้มากขึ้นคนมีเงินมากเ้าสามรารถเอาเงินไปต่อไปต่อเงินได้ เอาเงินไปปลูกไปปลูกมันต้นไม้พอมีมเมล็ดมากมันก็สามารถปลูกต้นไม้ได้มากต้นได้มากต้นก็ได้มากผลได้มากมเมล็ดมันก็พอได้มากมันมีมเมล็ดเพิ่มขึ้นใหม่มันก็ต้องเอาไปปลูกอีกมันก็เหนื่อยเลยพ่อใหญ่นะทั้งที่กินไปอีกสิบชาติก็กินไม่หมดแต่มันหยุดไม่ได้เพราะมัน เห็นช่องทางว่าจะได้เนหะมือนก็เลยเห็นไม่ธนาคารตางตูต้ก็มีสาขาเดียวอย่างนี้เป็นร้อยเป็นพันสาขาเลยเมืองไทยไม่พอไปเมืองไปไ ป, ไปเปิดสาขาเมืองนอกเมืองนาอะไรเงี้เอาไปก็ไปเปิดที่โลกประจันโลกปางขานกันเะชื่อไหมอ่ะเอาไปเม่ต้องไปกันอนะ่ะแล้วใจเป็นไงใจก็ร้อนอยู่เลยยิ่งมีมากยิ่ง ยิ่งวุ่นวายใจต้องคอยดูแลรักษาคอยติดตามสาขานั้นเป็นไงสาขานี้เป็นยังไงมีปัญหาตรงไหนต้องลงไปแก้ต้องไปดูใจก็เลยร้อนอยู่ไปเรื่อยๆตอๆนี้มีเงินกินอีกสิบชาติก็กินไม่หมดใช้ไม่หมดแต่ไม่มีไม่มีโอกาสได้ใช้ใช่ไหมยพราะมัวแต่มาหาหาใหม่มาคอยแต่มารักษาใหม่ของเก่าที่มีอยู่ มัวแต่หามัวแต่รักษาไม่มีเวลาไปใช้เงินใช้ทองใช้ก็ใช้แบบไม่มีประโยชน์ะลรซื้อรถสิบคันสร้างบ้านเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วเวลามันอยู่มันก็เวลามันนอนมันมันจะไปรู้หรือเวลาหลับมันหลับอยู่ในบ้านราคาขนาดไหนใจเงินทองมีเท่าไหร่ถ้าใจไม่มีความสุขนี่เงินทองก็แสดงว่าไร้ประโยชน์ เงินทองนี้ต้องมีไว้เพื่อมาทำให้ใจเรามีความสุขถึงจะถึงจะถึงจะเป็น เ, เงินทองที่มีประโยชน์แต่เราไม่รู้จักใช้เงินทองให้ใจเรามีความสุขกันวิธีที่จะใช้ให้เงินให้ใจเรามีความสุขก็ต้องเอาไปทาทานไปสร้างโรงพยาบาลซิสร้างโรงเรียนสร้างอะไรต่างๆ ซึ่งคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคนนี้เขาก็รู้สึกว่ารู้จักใช้รู้จักทำให้ใจเ็ามีความสุขในบิวเกตนี่ที่เ็าเป็นเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกนี้เขาตั้งกองทุนกุมนิธิไว้สำหรับไปทำประโยชน์ในเรื่องหาวิธีช่วยคนยากคนจนเอ หาวิธีที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บในประเทศด้ยพัฒนาอย่างในแอฟริกาโรคมลาลาเรียโรคโปลิโออะไรเหล่านี้เขาก็เอาเงินทองที่เขาหามาได้นี้เอามาทำไปอยู่เขาก็มีความสุขเวลาเขาไปดูงานดูงานที่เขาไปทำไว้ตามสถานที่ต่างๆหาน้ำหาแหล่งน้ำให้คน คนประเทศได้พัฒนานน้ำไม่สะอาดน้ำดื่มไม่สาดเขาก็ไปหาวิธีเจาะบ่อสร้างบ่อทำอะไรต่างตะทำเหนือเนี่เอาเงินมาทำอย่างเี้ยเราก็จะมีความสุขแต่ความสุขจากการทำเงินเอาเงินมาทำบุญก็ยังสู้กับความสุขจากการรักษาสีไม่ได้ถ้าเราไม่มีเงินที่จะทำบุญขอให้เรารักษาสีหน้าให้ได้ เราจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินเป็นเหมือนล้านแสนล้านที่เอาเงินไปทําบุญแล้วยิง่งแล้วยังมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จากการรักษาสีนีก็คือความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบอันนี้สุขเปความสุขที่สูงสุดเลยความสุขแบบนี้เงินก็ซื้อไม่ได้ขอให้ทําบุญทําทาน หมื่นล้านแสนล้านก็สู้มานั่งพุทโธพุทโธนั่งหลับตาพุทโธพุทโธทําใจให้สงบไปแล้ใจสงบแล้วมันมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองไม่ว่าจะไปเที่ยวไปเล่นเลือกไปทําบุญก็ตามต่สู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไปแล้วนั้นพวกเราจึงถือว่า ไม่ไม่ด้อยกว่ากันไม่ต้องเป็นเศรษฐีก็ได้สามารถมีความสุขแบบนี้ได้ล่าอาจจะได้ง่ายกว่าเศรษฐีเพาะเศรษฐีนี่บางทีใจมันใจมันปราบยากทำใจให้สงบยากเพราะใจมันคิดมากมันต้องคิดหาเงินคิดรักษาเงินคิดใช้เงินอะไรกันกเลย เวลามานั่งพุโทโธพุธโทโธมันไม่เอาไม่อยู่แต่คนที่ไม่มีงานทำคนตกงานนี่มันสบายไม่ต้องคิดมาก ห, ห้อยนั่งพุโทโธพุธโทโธสองสามทีมันก็สงบได้คนคนยากจนจึงบรรลุธรรมมากกว่าคนรว ย, ยประวัติครูบาอาจารย์นี่ลองไปอ่านดูเป็นลูกชาวนาชาวไร่คนยากคนจน ก็เลยไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินหาทองจนตอนเป็นเด็กๆพ่อแม่ไม่มีบรรัญญาส่งเรียนก็ฝากไปอยู่วัดเลยไปบวชเน้นเลยสมเด็จพระสังฆราชนี่ก็บวชเนนมาตั้งแต่เด็กหลวงปู่มั่นนี่ก็บวชเนนมาก่อนบวชเนนแล้วก็เสด็กลอกมาช่วยพ่อแม่ทำนาอยู่ปีสองปีพออายุยี่สิบก็กลับไปบวชท่าเลยคนรวยกลับไม่ได้นิพพาน มีแต่คนจนที่จะได้นิพพานไงนอกจากคนรวยที่มีบา ร, รมีสูงๆอย่างพระพุทธเจ้าอันนี้ยกเว้นกรณีพิเศษแต่ถ้าคนรวยอย่างอืงอ่นไม่มีทางไม่มีใครอยากจะบวชกันละคนรวยดูได้มีมาหาเศรษฐีคนไหนมาบวชกันนะั้งคนนั่มรวยคนใหญ่คนโตนี่เขาเขาไม่มีบุญที่จะมาบวชได้บุญเขาได้อย่างมากก็จากการทำบุญทำทาน ด้วยเงินทองที่เขามีอยู่ทนะังนั้นเราควรจะดีใจที่เราไม่รวยกันยิ่งทุกข์มากเท่าไหร่มันจะบงังคับให้เราวิ่งเข้าหาธรรมะ ม, มากเป็นทําไหรเพราะไม่มีเราจะช่วยดับความทุกข์ของเราได้นอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไปเจอไปอยู่ในโลกที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็สวยไ ป, ไปเวลาเจอทุกข์มากๆไปหาใครแล้วไปหาวิธีแก้ค่าตัวตาย อย่างโลกอย่างประเทศของฝรั่งประเทศที่พัฒนาที่ไม่มีพวุทธศาสนาเนี่ยเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเดี๋ยวนี้กําลังคิดหาสร้างออกกฎหมายอนุ ญ, ญาตให้ฆ่าตัวตายให้หมอช่วยฆ่าตัวตายเวลาคนไข้มีโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายแล้วเช่นเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่ได้ต้องรอให้ตาย แต่เวลาจะตายมันเวลารอนี้มันทุกข์มันเจ็บอ<ม>ก็ไม่อยากจะทนอยากจะให้หมอว่าคาดให้ฉีดยาให้ตายก็ผิดกฎหมายตอนนี้ก็เราพยายามที่จะให้ทางรัฐบาลออกกฎหมายอนุญาตให้หมอช่วยฆ่าตัวตายช่วยคนที่อยากจะตายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หาย แต่ถ้ามีพระพุทธศาสนามหาพระพระก็จะสอนว่าที่ปัญหาไม่ใช่เป็นปัญหาที่ร่างกายปัญหาที่ใจที่ทุกข์มากไม่ใช่ทุกข์ที่ร่างกายทุกข์ที่ใจแล้วใจในี้รักษาได้ทำใจให้สงบถ้าใจสงบความทุกข์ใจจะไม่มีแล้วความเจ็บของร่างกายนี้มัน อยู่ได้อยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนเนี่ยพระอรหันนี่เวลาท่านตายนี่ท่านเดินตายก็มียืนตายก็มีนั่งตายก็มีร่างกายท่านป่วยแต่ใจท่านไม่ป่วยใจท่านไม่เจ็บไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายเพราะท่านรู้จักวิธีปฏิบัติกับร่างกายท่านรู้จักวิธีทำใจให้แยกออกจากร่างกาย ให้ปล่อยวางร่างกายได้ให้มองร่างกายเหมือนกับเรามองร่างกายของคนอื่นเวลาเรามองร่างกายของคนอื่นเราเดือดร้อนไหมคนอื่นเขาเป็ดเจ็บไข้ได้ป่วยพี่กลพี่กาถ้าเราไม่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องของเขาแล้วเราไม่เดือดร้อนเใช่มที่เราเดือดร้อนเพราะเราไปมีความเกี่ยวข้องของเขาเพราะเราไปยึดไปติดเขาไปคิดว่าเขาเป็นเราหรือเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเรา พออะไรเป็นของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีความจริงมันไม่มีอะไรเป็นของเราพระพุทธเจ้าให้เรามามองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของยืมมาเป็นของชั่วขาว่าวร่างกายนี้ก็ยืมมาจากธรรมชาติยืมมาจากดินน้ำลมไฟนี่เองร่างกายนี้มันโตขึ้นมาได้เลมันไม่มีน้ำมันอยู่ได้ไหยมันไม่มีลมหายใจมันอยู่ได้ไนะ มันไม่มีดินคืออาหารมันอยู่ได้เนี่ยมันอาศัยธรรมชาติมันเป็นของธรรมชาติใจเราเราเป็นใจใจเป็นผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นดวงวิญญาณมาเสียงสถิตยอยู่ในร่างกายนี้มาอาศัยร่างกายนี้อยู่เหมือนอาศัยบ้านมันแต่เราไปหลงคิดว่าเราเป็นมันเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายก็เลยต้องทุกกับร่างกาย ทุกคนนี้ทุกกันเพราะร่างกายของทุกคนมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนมีคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าท่านนะที่ไม่ทุกข์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเรานี้ไม่มีวันที่จะรู้ความจริงอันนี้พวกเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมา ท, าทันทีมีพระพุทธเจ้าตอนต้นท่านก็เดือดร้อนตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธะ ออกไปเที่ยวข้างนอกไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายหลอนตอน้องจะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วถามว่าเป็นใครคนลูกน้องก็บอกเนี่ยเป็นท่านต่อไปท่านก็ต้องเป็นอย่างเนี้ท่านก็เลยเดือดนอนขึ้นมาสิเพราะเมื่อก่อนนี้อยู่แต่ในวังพ่อแม่พ่อแม่ยอมให้คนแก่เข้าวังคนเจ็บเข้าวังคนตายเข้าวังท่านก็เลยไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย เห็นแต่คนหนุ่มคนสาวท่านก็เลยคิดว่าร่างกายจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดพอวันดีคืนดีอยากจะรู้ว่าข้างนอกกำแพงพระราชวังเป็นมีอะไรบ้างก็เลยเล็ดลอดออกไปดูพอไปเห็นคนแก่ก็แปลกใจเป็นอะไรไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นคนเจ็บก็ไม่รู้ก็เป็นอะไรเห็นคนตายก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ต้องถามมหาเล็กมหาเล็กก็บังก็เป็นท่านแหละ ต่อไปท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเห็นนักบวชเหวนวัตถสี่เห็นนักบวชแล้วก็ถานนี่เป็นใครก็ทํางานมั้งแต่งตัวแบบนี้โกนหัวเขา เ, เป็นนักบวชเขาอยากจะหาวิธีไม่แแไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านก็เลยเออก็เลยได้ความรู้พิเศษทำให้ท่านมาคิดอยู่ในวงังว่า ท่านก็อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนกันก็ต้องไปเป็นนักบวชก็เลยพอวันดีคืนดีจังหวะถึงเวลาบังคับก็เลยไปบวชอย่ท่านไปบวชได้เพราะว่าท่านมีบารมีเก่าท่านเคยทำใจให้สงบได้ท่านเคยพ บ, พบความสุขของใจที่ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายให้ความสุขท่านถึงไปบวชได้ไม่เดือดร้อน ท่านสามารถอยู่แบบขอทานได้เพราะใจท่านมีความสงบแต่ถ้าเรายังไม่มีความสงบนี้เราอยู่แบบขอทานไม่ได้เพราะเรายัางต้องใช้ร่างกายอาศัยร่างกายเป็นเครื่องอยู่ร่างกายต้องมีมีทรัพย์มีปัจจัยสี่ที่สมบูรณ์ทวิจิตพิสดารพอเราต้องไปอยู่แบบขอทานก็จะอยู่ไม่ได้ งั้นคนที่จะบวชได้นี่หรือคนที่จะบวชนี่เขาจะต้องพยายามทําใจให้สงบให้ได้ถ้าทําใจให้สงบแล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายเพราะความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายร่างกายกินวันละมืออดมือ้อกินมือก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจอิ่มความสงบนี้ทําให้ใจอิ่ม แต่ถ้าใจไม่สงบเนีน่ขอให้กินวันละสิบมื้อก็ไม่อิ่มกินเนกระทั่งร่างกายเป็นตุ่มก็ยังไม่อิ่มมันยังอยากกินอยู่นั่นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากพ่อพุทธศาสนาก็คือรู้จักวิธีที่จะให้ใจของเรามีความสุขและปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายพอเราปฏิบัต ทำใจใสงบได้เราก็จะเห็นความสุขของของใจเราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะดีหรือไม่ดีเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ใช้มันเหมือนคนที่เคยขับรถใช้รถอยู่ทุกวันแล้วพอไม่อยากจะออกนอกบ้านเบื่อไม่ต้องใช้รถไม่มีธุระต้องออกนอกบ้านอยู่อยู่บ้านได้ รถจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่ต้องใช้รถนละ้แต่ถ้ายัางใช้รถอยู่นี่ถ้ารถเสียก็ต้องไปซ่อมมันถ้ามันเก่าก็ต้องเปลี่ยนมันเพราะยังต้องใช้รถยังต้องไปนู่นมานี่อ่แต่ถ้าเราไม่ต้องออกนอกบ้านอยู่บ้านเฉยๆมีความสุข<ม>เราก็ไม่ต้องใช้รถใจเราก็เหมือนกันถ้าใจเราอยู่ อยู่ความอยู่กับความสงบได้ทําใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องเดือเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเราไม่ได้ใช้มันเราไม่ได้อาศัยมันเราก็จะมองเห็นร่างกายว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นเป็นยังไงเราไม่เดือดร้อนร่างกายของเราเป็นยังไงเราก็จะไม่เดือดร้อน เพราะเราดูว่าถ้าเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะทำให้เราเดือดร้อนขึ้นมาความเดือดร้อนของเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากใช้ร่างกายอยากให้ร่างกายอยู่ไป น, นานๆอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ใจให้กับเราแต่เราทแล้ว เราแต่เราก็ยังปล่อยร่างกายไม่ได้ยังเลิกใช้ร่างกายไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังหาความสุขในใจไม่ได้ยังทําใจให้สงบไม่ได้หน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือพยายามมาทําใจให้สงบให้ได้ถ้าใจจะสงบแล้วทีนี้จะร่างกายจะเป็นยังไงไม่เดือดร้อนจะเป็นจะตายไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข ร่างกายของตนเองร่างกายของคนอื่นภรรยาก็ต้องใช้ร่างกายของสามีให้ความสุขสามีก็ต้องใช้ร่างกายของภรรยาให้ความสุขพอสามีหรือภรรยาเป็นอะไรไปทั้งๆที่ตัวเองไม่เป็นอะไรก็เดือดร้อนขึ้นมาแล้วเพราะต้องไปใช้ร่างกายเข้ามาให้ความสุขแต่ถ้าใจมีความสงบแล้วร่างกายของตัวเองก็ไม่ใช้ร่างกายของคนอื่นก็ไม่ใช้เงินทองก็ไม่ใช้ รถ ล, ลาอะไรก็ไม่ใช้ไม่ใช้อะไรทั้งนั้นอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆมีความสุขละไม่ต้องมีอะไรมีอย่างมากก็ข้าวไว้กินเลี้ยงดูร่างกายไปวันๆหนึ่งไม่มีก็ไม่เดือดร้อนอีกอร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนอแต่ที่ต้องกินก็เพราะยังต้องเลี้ยงมันไปถ้าขี้เกียจเลี้ยงมันก็ไม่กินก็นได้ปล่อยให้มันสู้ผอมแห้งตายไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าฆ่าตัวตาย ไม่เลี้ยงมันนี่ไม่ได้ฆ่าตัวตายถ้าตัวตายนี่เรียกวามีดมาเฉือนคออย่างนี้เรียกว่าฆ่าตัวตายแต่ถ้าอยู่เฉยๆขี้เกียจไม่มีข้าวกินก็ไม่หามากินอย่างนี้มันมันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้มันก็เดี๋ยวมันก็อย่ด้ายใจอย่นี้ไม่เรียกว่าฆ่าตัวตายปล่อยให้มันเป็นตายตามธรรมชาติเราไม่ได้เป็นมันมันเป็นเหมือน คนรับใช้เราที่เราไม่ใช้มันแล้วเราก็ไม่ต้องเลี้ยงมั น, นใช่ไหมอย่างคนใช้คุณที่บ้านถ้าคุณไม่ใช้มันแล้วคุณจะไปให้เงินเดือนมันหรอก็ไม่ให้เงินเดือนมันมันไม่มีเงินเดือนมันก็ไม่มีเงินซื้อข้าวมันไม่ซื้อข้าวเดี๋ยวมันก็อดตายไปอย่างนี้ไม่เรียกเป็นการฆ่าเราเลิกว่าจ้างมันซะเลยใจเลยอย่างนั้นเวลาคนคนไข้คนคน คนที่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็เวลาไม่ไม่รักษานี่ไม่เป็นไม่บาปอาจารย์หรืว่าหมอบอกรักษาไม่หายเอาสายยางออกเอาอะไรออกเลยเอาออกไปไม่บาปเรายุติการดูรักษาเลี้ยงดูมันท่านเองแต่เราไม่ได้ฆ่ามันเพราเลี้ยงดูมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเท่ากันเลี้ยงเลี้ยงดูเขารักษาของมันก็เท่าเดิม ไม่รักษาเขาก็เท่าเดิมคือในที่สุดก็ตายมันไม่มีมันไม่มีวันที่จะดีขึ้นเนี่ยมันมีแต่จะตายเร็วตายช้าเท่านั้นเองอย่างหลวงปู่หลวงปูชาตอนช่วงสุดทา้ายชีวิตท่านท่านก็เป็นเป็นอามาพเป็นอามภ่าท่านต้องใช้สายยงสายยางอะไรรู้สึกว่าท่านต้องอยู่อย่างนั้นเป็นหลายปีด้วยกัน จนหลงตาต้องไปบอกว่าเอาออกเถอะทระมาณท่านต่อไปไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่บาปเขาถึงเขาถึงเอาเอาสายยางออกกันทั้งก็นอนอยู่เงี้ยแต่ใจถ้าไม่เดือดร้อนไม่ได้แต่ใจมันยังติดกับร่างกายอยู่มันยังมันยังแยกกันไม่ยังไม่ถ้าร่างกายมันยังไม่หยุดมันใจยังไปไม่ได้แต่ใจไม่เดือดร้อน ใจของท่านก็สุขโตบาลามังสุขขังว่าใจท่านสงบใจท่านไม่ไปยึดติดกับร่างกายไม่ได้ไปกังวลกับร่างกายร่างกายจะหายไม่หายถ้าไม่เดือดร้อนสบายสิเงร่างกายดีต้องมาเนี่ยนั่งมานั่งคุยกับญาติโยมทุกวั น, นร่างกายไม่สบายได้นอนเนะนอนสบายกว่า ยิงไหมแบบเวลาไม่สบายนี่ราคาญนะคนมาหาเนี่ยคนจะม า, เ, าเป็นห่วงมาถามเป็นอะไรไมาถามาคนไม่สบายนคนไม่สบายอยากจะพักผ่อนก็นมาเป็นห่วงมาถามนูน่นถามนี่เอาเอานู่นเอาหนี้มาให้คนไม่สบายไม่ต้องการอะไรต้องการพักผ่อนนะนี่เราพวกเราต้องมาสร้างบุญอันนี้ให้ได้คมาภาวนา แต่ต้องทำทานก่อนถ้ า, ถายัางทำทานไม่ได้มันจะรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลไม่ได้มันจะภาวนาไม่ได้เพราะมันยากกอดกันเยอะการทำทานนี่มันง่ายกว่าการทำทานก็เป็นการปล่อยวางของข้างนอกก่อนปล่อยวางเงินทองตอนนี้เราอาศัยเงินทองกันเราต้องยุดหยุดอาศัยเงินทองถ้าเราอาศัยเงินทองเวลาไม่มีเงินทองเราจะเดือดร้อนเข้าใจไหม หรือเวลาที่ร่างกายเราไม่สามารถใช้เงินทองได้เราก็จะเดือดร้อนเป็นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปใช้เงินซื้อความสุขไม่ได้ฉะั้นเราอย่าไปเพิ่งเงินทองต้องเอามีเงินทองที่มันมากเกินไปนี้เอาไปไปแบ่งให้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นเราจะทําให้ใจเรามีความสุขแล้วเราจะรักษาสินได้ พ่าเรามีความเมตตาเราช่วยคนนั้นคนนี้เราก็จะไม่อยากเบียดเบียนเขาเราก็จะรักษาสีหน้าได้รักษาสีหน้าตอไปก็รักษาสีแปดได้รักษาสีแปดได้ก็จะภาวนาได้คนที่ยังรักษาสีแปดไม่ได้นี่จะนั่งสมาธิไม่ได้ังอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากเที่ยวอยากเล่นนี่แต่ถ้ารักษาสีแปดได้แล้วก็จะนั่งสมาธิได้ นั่งสมาธิได้ใจก็จะสงบแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็จะปล่อยวางร่างกายได้ทิจนาว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆให้ใจเตรียมตัวรับขอบคามแก่ทางเจ็บทางกายใจก็จะได้เลิอกอาศัยร่างกายใช้อาศายัยอาศัยธรรมดีกว่าอาศัยการภาวนา การทำใจให้สงบดีกว่าพอใจสงบแล้วร่านการจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเป็นมะเร็งไปหาหมอหมอเป็นมะเร็งไม่หมอไม่ต้องบอกเรารู้อยู่แล้วเพียงแต่เรารอเวลาเมื่อไหร่เท่านั้นทุกคนเนี่ยมันก็ต้องเป็นมะเร็งใดมะเร็งหนึ่ง <c oughs> มันต้องเป็นโรคใดโรคหนึ่งทุกคนไม่มีใครไม่เป็นแม้แต่พระเจากก้าก็เป็นแต่ใจท่านไม่เดือดร้อนเพราะท่าน มือนก็ท่านท่านเตรียมตัวไว้แล้วถ้าแทงหวยก็รู้ต้องถูกนแน่แน่เดี๋ยวถึงเวลามันต้องออกเลขนี้แน่แน่โรคแก่โรเลขเลขแก่เลขเจ็บเลขตายนี่มันมาแน่แน่ถ้าเราเตรียมตัวแล้วเราแทงหวยเวลาเราถูกหวยเราดีใจไม่เสียใจจ่มาดีใจมั้ยเราก็แทงว่าเราต้องแก่พอมันแก่เราก็จะดีใจโอ้เราเก่งเลย <c oughs> แม่นเ่ยว่ะ เพราะเราเจ็บเ้ามันจะไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเพราะใจไม่มีรูปร่างใจมีแต่ตัวรู้ตัวคิดมีแต่ความรู้ความคิดเท่านั้นเองมันมันไม่มีมันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายมันจึงไม่เสื่อมมันไม่เปลี่ยนแปลง มันเหมือนความว่างที่มีอยู่เนี่ยความว่างที่อยู่ระหว่างพวกเราเนี่ยไอ้นี่มันไม่มีวันเปลี่ยนแต่เรามาที่นี่นกี่ครั้งมันก็เป็นอย่างนี้ครับครั้งใช่ไหมความว่างใจก็เหมือนกันใจก็มีแต่ความคิดความรู้ทั้งนั้นเดินแต่ปัญหาของใจตอนนี้คือคิดทุคิดให้คิดให้สุขไม่เป็นชอบคิดให้ทุกเพราะอะไรเพราะความหลงชอบไปคิดว่าอันนูนเป็นของเราอันี้เป็นของเราพะอะไรเป็นของเราก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้มันอยู่กับเราใช่ไหม ถ้าอะไรเป็นของเราเราก็อยากจะให้อยู่กับเราแต่ของทุกอย่างมันไม่อยู่กับเราไปตลอดเลยของทุกอย่างมันต้องมีมีมาแล้วมันก็ต้องมีไปมันจะไปช้าไปเร็วมันต้องไปแค่ร่างกายเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ไม่มีร่างกายพอเราได้ร่างกายมาเราก็คิดว่าเป็นของเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายแล้วพอมันแก่ขึ้นมาก็ทุกข์เนี่ย เวลามันเจ็บก็ทุกเวลามันตายก็ทุกเพราะเราคิดไม่เป็นพระเจ้าทรงสอนมาให้คิดคิดกลับกันอย่าไปคิดว่าอะไรเป็นของเราสัพเพธรรมาน ต, ตาของทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราคิดอย่างนี้มองอย่างนี้แล้วเวลามันเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนใช่ไมของบ้านไม่ใช่ของเรามันไหมเราเดือดร้อนไหเพราะของเรามันพังไม่ใช่ของเราเนี่ยมันพังนี่เราเดือดร้อนนี แต่พอเป็นบ้านของเราขึ้นมานี่เป็นไงโอ้โหวุ่นวายใหญ่คนก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่พ่อเราแม่เราไม่เดือดร้อนนะถ้าไม่ใช่สามีเราภรรยาเราไม่เดือดร้อนอย่าอย่ไปมองว่าเขาเป็นของเราสิมองเข้าเขาเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ที่เราได้ได้ร่างกายจากเขาแต่เขาก็ต้องร่างกายเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ร่างกายของทุกคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้มองอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วใจมันจะได้ไม่หลงเนี่ยมันจะได้คิดมัในทางที่ถูกคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราเป็นของยืมมาเป็นของชั่วคราวเราไปยืมของเขามาแล้วเดี๋ยวใช้เสร็จเราก็ต้องไปคืนก็นใช่ไหมถ้าเราอยากจะเก็บไว้เราจะทุกข์เวลาเข้ามาขอคืน ก็มีแค่นี้เรื่องของปัญหาของพวกเราก็คือความหลงไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องมีอะไรเราก็มีความสุขได้ฮะถ้าเราหาความสุขในใจของเราเจอแล้วเราก็จะปล่อยทุกอย่างได้เราก็จะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของเราได้เพราะเราจะรู้ว่าถ้ามองว่าเป็นของเราแล้วเราจะทุกทุกทำไมในเมื่อเราไม่ต้องไม่ต้องมีเขาเราก็อยู่ได้ แต่ตอนนี้เราไม่รู้เพราะเราไม่เคยหัดอยู่แบบไม่มีเขาเราต้องมีเขาอยู่เรื่อยๆเล่นร่างกายนี้พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่แเดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่เนี่ยเราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่ล้านล่างเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายมีพระพุทธเจา้าตอนนี้ท่านก็อยู่แต่ท่านไม่ต้องมีร่างกายอยู่เหมือนพวกเราครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านบรรลุเนี่ยท่านไม่ต้องมีร่างกาย แต่ท่านก็ยังอยู่เหมือนเราอยู่เนี่ยอยู่แบบที่ไม่ต้องมีร่างกายสบายกว่ามีร่างกายแล้วมันมีภาระต้องเลี้ยงดูมันต้องดินน้นรนต่อสู้กับ ภ, า ภ, าภาัยต่างๆเพื่อรักษาร่างกายนี้ไว้แล้วก็อาศัยเอาร่างกายนี้ไปหาความสุขเล็กๆน้อย ๆ, ๆจากการกินการดื่มการเล่นการเที่ยวกันแล้วพอมันเป็นอะไรไปก็อา ศ, าศาัยมันไม่ได้ก็ทุกข์ แล้วเราต้องมาเลิกอาศัยร่างกายกานต้องก็เลิอกอาศัยใช้เงินเพราะเงินนี้เป็นเครื่องมือของการการซื้อความสุขให้กับทางร่างกา ย, ยาเฉะนั้นเวลาเราจะเอาเงินไปซื้ออะไรด้วยตามความอยากก็เอาเงินไปทําบุญแทนตัดมันดัดมันดัดความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆแล้วต่อไปเราก็จะได้เลิกซื้อความสุขต่างๆแล้วหันมาหมาถันมาหาความสุขทางใจได้ มาอยู่วัดมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมได้ถ้าทําจริงๆแล้วทุกคนทําได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าต้องเป็นพระเป็นนักบวชเท่านั้นเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ถ้านั่งสมาธิกันเป็นก็ได้ผลได้กันทุกคนเพราะใจนี้มันมีอายุเท่ากันหมด่ะใจมันไม่มีใครแก่กว่าใครหรอกที่แก่กว่ากันก็คือร่างกายนี้เท่านั้น แต่ใจไม่แก่กับกันความรู้ความสามารถของเด็กบางทีจะมากกว่าผู้ใหญ่ทีเพราะชาติก่นกอนๆเขาเคยฝึกฝนอบรมมาคนที่ไม่เคยฝึกฝนอบรมก็ชื่อคนที่ฝึกฝนอบรมมาไม่ได้อย่างว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กอายุสิบขวบก็ได้สมาธิอยู่เฉยๆจิตก็รวมได้เพราะท่านเคยฝึกฝนอบรมมาก่อนนั้นขอให้พวกเราจงมาเปลี่ยน วิธีอยู่กันเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบกันตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทําเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้ามีเงินเยอะถ้ายังใช้เงินซื้อความสุขอยู่ก็หยุดซะเอาเงินที่มีนี่ไปทําบุญดีกว่าไปบริจาคช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ายากแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาดูแลรักษาเงินทอง มีเราไม่ได้ใช้เราต้องมาดูแลมีดูแลไปทำไมการเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อะไรถ้าจะใช้เพื่อใช้สงทางใช้ไปเพื่อส่งเสริมกิเลสเรือใช้ไปเพื่อตัดกิเลสใช้ส่งเสริมกิเลสก็ไปเที่ยวไปเล่นไปกินเงินถ้าถ้าจะตัดกิเลสก็ไปทําบุญแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องอาศัยเงินทองซื้อความสุขเราก็ไม่ต้อง เสียเวลาไปหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลาเข้าวัดตอนนี้เราไม่มีเวลาเข้าวัดก็เพราะว่าเรามัวแต่หาเงินใช้เงินอยู่นี่แหละมันก็เลยไม่มีเวลาเข้าวัดเข้าก็ได้อย่างเนี้ยนานๆก็ในปีนึงมาสักขนหนึ่งนี่แล้วมันจะพอเหรอกินข้าวปีละขนมันพอไหมเห็นไหมมันต้องกินทุกวัน่ต้องภาวนาทุกวันทําใจให้สงบทุกวัน ที่เราไม่ได้ก็เพราะเราไม่ทำไม่ใช่เพราะเราเราเราเราไม่ได้เป็นพระเราไม่ได้เป็นนักบวชที่เราไม่ได้เพราะเราไม่ทำถ้าเราทำนี่ได้ทุกคนเน่ยที่มาเป็นพระแล้วไม่ได้ทาก็ไม่ได้เหมือนกันพระที่บวชกันสมัยนี้ก็ไม่ได้ทากันก็หาเงินเหมือนกับญาติโยมไรักกิจนิมนต์ไปสวดศพกันไม่ได้มาหาธรรมะกันไม่ได้มาหาความสงบกันมันก็ไม่ได้เหมือนกัน มันไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยอยู่ที่เป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชอยู่ที่ว่าทำหรือไม่ทำจะทำไม่ทำก็ต้องรู้ว่าทำแล้วได้อะไรคนที่ไม่ทำเพราะไม่รู้ว่าทำแล้วได้อะไรกันถ้ารู้ว่าทำแล้วได้อะไรเขาก็อยากจะทำเพราะมันได้ได้สิ่งที่ดีกว่าเงินทองได้ดีได้สิ่งที่ดีกว่าลาบยศสรรเสริญได้เครื่องมือดับความทุกข์ได้เครื่องมือสร้างความสุขที่ถาวรได้ที่พึ่งทางใจ ไม่ต้องเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้อย่างนี้ไม่ดีกว่าได้เงินทางเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังเป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้เวลาร่างกายแก่เจ็บตายก็เดือดร้อนนี่แหละคือเรื่องของพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านนั้นนหะที่รู้ความจริงอันนี้พวกเราเนี่อาศัยบุญของพุทธเจ้ากัน ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่มีวันรู้ความจริงเหล่านี้เราก็จะทุกข์กันทุกภพทุกชาติไปเพราะเกิดมาทุกภพทุกชาติก็จะมาพึ่งร่างกายพึ่งเงินทองกันแล้วพอพึ่งไม่ได้ก็ทุกข์กันฆ่าตัวตายงั้นพยายามเชื่อพระพุทธเจ้าและพยายามปฏิบัติตามให้ได้แล้วเราจะได้ที่พึ่งทางใจแล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะให้อนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินางเป ต, ตานาังอุปกาปติอิชีตังปัิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตโตซับเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยถามณิชโชติระโสยถาสภีติโยวิวชัชจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายูสุขีทีพายุโกภวะอภพิวาทานศีริสะนิจังวุธาปจายิโนจตาโรธรรมวาทานติ อายุวันโอสุขังพภาสลาังใครอยากจะถวายของอะไรก็เข้ามาได้นะใครอยากจะได้หนังสือซีดีก็เข้ามาวันนี้ได้สิบนะคะอ่าไื้สิบขาวแล้วก็เกี่ยวกับไอเสตกลิมเนสซิง น, นะคะ อ, อ, อ๋อพระอานุุบมิใชา่า ต่อไปนี้ต้ไม่กินลำเลียงซิ่งแล้วมั้ก็ต้องหยุดกินลำเลยงซิ่งกินะว่าแล้วตายไหมนะหยุดแล้วกินว่ามันตายไหมก็ตายไงยแต่พออโอ้โหรายละเอียดขนาดนั้นอชอบคนคำถามนีมากเลยแต่วก็วันนี้ข้าขึ้นชั้นกี่องก์อ๋บ ก, กาใช่หทุกวันเนี่ยนี้40กว่า50 ตมงนี้ว่าจะไปถวายฉัเช้าใช่ยากยากพื่อเขาอยากจะถามอะไรไม่เคยคุยอะไรเพื่อนยถามะไไม่ยอให้ปฏิบัติก่อนทาก่อนมีคาถามเข้มาถามต้องทก่อนไอ้ความเจ็บร่างกายนี้มันเป็นปัญหาเล็กนะ ปัญหาใหญ่อยู่ที่ความเจ็บใจความทุกข์ใจถ้าจะฆ่าต้องฆ่าตัวที่ตัวตั ว, ต, วตัวทุกข์ใจอย่าไปฆ่าที่ตัวร่างกายเพราะว่าตัวตัวปัญหาใหญ่อยู่ที่ความทุกข์ใจไม่ได้อยู่ที่ความทุกข์ทางร่างกายถ้าฆ่าร่างกายความทุกข์ใหญ่ยังก็ยังอยู่ในใจ <S S S S แต่ถ้าฆ่าตัวตัวความทุกข์ใจได้แล้ ว, <S S ลวความทุกข์ทางร่างกายไม่เป็นปัญหาเป็นด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็เป็น ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เป็นแต่ท่านไม่เดือดร้อนท่านฆ่ามันถูกตัวอย่าไปฆ่าผิดตัวอย่าไปฆ่าลูกน้องต้องฆ้าหัวหน้าแล้วท่านไม่เคยฆ่ามาเลยหรอครับก็ต้องมาฝึกแล้วแหละต้องมาอ่าต้องหาวิธีฝึกวิธีฆ่ามันไงฆ่าไม่เป็นก็ต้องไปเรียนรู้จากคนที่เขาฆ่าเป็นก็เหมือนหลังชมฝาแล้วเรามาฝึกเนี่ยฝึกเจริญสติฝึกนั่งสมาธิ ต้องไปหาวัดที่ไปหาที่สงบอยู่ไม่ทำอะไรละทำแต่ทาแต่วิธีทาแต่วิธีฆ่ากิเลสนี้ให้ได้ฆ่าตัวตัญหาความอยากนี้ความหลงให้ได้ฆ่าได้แล้วก็จะสบายไม่ยากเลยแล้วนี้มีวิธีมีทางอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำานะ คงคุลีมานไปฆ่าผิดใช่ไหมไปฆ่าคนนำก้าวร้อยขันไปก้าวพระเจ้าอย่าไม่ฆ่าคนมันฆ่าฆ่ากิเลสเนี่พอหยุดปั๊บเปลี่ยนเป้ามาข้าเดี๋ยวเดียวก็บรรลุแล้วนั่นแหละขณะทำบาปมันก็เยอะนันก็อยู่ที่การต้องทําต้องทํานะะต้องถ้ายังไม่รู้จักวิธีทำก็เนี่ยอ่านหนังสือธรรมะ ที่เราแสดงเนี่ย่าไปสักพักมันก็จะเข้าใจมันซ้ำอ่ะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็ปนอยู่ในวงเรื่องเดียวกันนั่นแหละเหลือแต่เราต้องไปทํำพอทําจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเย็นอะไรบาทีเจ็ดวันก็อาจจะเสร็จก็ได้พระหุทธเจ้าก็บอกอย่างนั้นอ่ะแต่ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีต้องสาเร็จแน่ๆถ้าทําเนี่ยทําตามที่พระเจ้าสอน คเคยเจริญสติอย่างต่อเนื่องก็เดจะเตื่นจนหลับแล้วนั่งสมาธิให้มากพิจารณาปัญญาให้มากสลับกันเดี๋ยวมันก็ปล่อยได้วางได้